เรื่องปัญหาของพระอนนทเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบปัญหาของพระอนนทเทระได้ยินว่าพระเทระนั่งในที่พักกลางวันคิดว่าพระศัสดาตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ทุกอย่างคือพระชนนีและพระชนกการกำหนดพระชนมายุ ไม้เป็นที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอ克拉สาวกอุปถากแต่สำหรับเรื่องอุโบสถนั้นมีได้ตรัสบอกไว้อุโบสถจะเหมือนกันอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นเนาจึงเข้าไปเฝ้าและทูลถามพระสาสดาทรงตรัสว่าความแตกต่างแห่งการแห่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้มีแล้วความแตกต่างแห่งคถ า, าไม่มี พระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีทรงกระทำอุโบสถทุกๆ7เจ็ปีพระพุทธเจ้าพระนามสิกขีและเวสภูทรงกระทำอุโบสถทุกๆ6หปีพระพุทธเจ้าพระนามกกุสันทะและโกนาคมณะทรงกระทำอุโบสถทุกๆปีพระกัสปะทศพลทรงกระทำอุโบสถทุกๆุหเดือน ส่วนพระโอวาทคถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนกันอย่างนี้ความไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตของตนใหผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอดทนคือความอดกลั้นหรือคันติเป็นธรรมะเผาบาปคือตบะอย่างหนึ่ง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 ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตคือการทำจิตให้ยิ่งหนึ่งหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ